เรื่องไม่บัญญัติเพิ่มเติมและไม่ถอนพระบัญญัติเดิมครั้งนั้นท่านพระมหากรสปะประกาศให้สงสาบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านทั้งหลาย ขอสง์จงฟังข้าพเจ้าสิกขาบทของพวกเราที่รู้กันในหมู่คฤหัตมีอยู่แม้พวกคฤหัตก็รู้อยู่ว่าสิ่งนี้ควรแก่พวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรสิ่งนี้ไม่ควรถ้าพวกเราจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยก็จะมีผู้กล่าวว่าพระสมณะโคดม บัญญัติสิกขาบทแก่พวกสาวกชั่วการแห่งควันไฟสาวกพวกนี้ศึกษาสิกขาบทอยู่ตลอดเวลาที่พระาศาสดาของตนยังมีชีวิตอยู่พอพระาศาสดาของพวกเธอปรินิพานไปแล้วบัดนี้พวกเธอก็ไม่ศึกษาสิกขาบทถ้าสงพร้อมแล้วก็ไม่พึงบัญญัติสิ่งที่ไม่ได้ทรงบัญญัติ ไม่พึงถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้พึงสมาทานประพฤติตามสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วนี่เป็นยติท่านทั้งหลายขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสิกขาบทของพวกเราที่รู้กันในหมู่คฤหัตมีอยู่แม้พวกคฤหัตก็รู้อยู่ว่า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 ศึกษาสิกขาบทอยู่ตลอดเวลาที่พระาศาสดาของตนยังมีชีวิตอยู่พอพระาศาสดาของพวกเธอปริณิพานไปแล้วบัดนี้พวกเธอก็ไม่ศึกษาสิกขาบทถ้าสงพร้อมกันแล้วก็ไม่พึงบัญญัติสิ่งที่ไม่ได้ทรงบัญญัติไม่พึงถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้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 สงไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ทรงบัญญัติไม่ถอนพระบัญญัติตามที่ทรงบัญญัติไว้สมาทานประพฤติศีขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้แล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้